244รับปพาชนิยกรรมมกถาว่าด้วยปบพาชนิยกรรมเรื่องสงลงปบพาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล413รภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุประทุษร้ายตระกูลมีมารยาสาม ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ประทุษร้ายตระกูลมีมารยาทสามเอาละพวกเราจะลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่น แม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แหลถูกสงแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงปัปภาชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงปัปภาชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงปัปภาชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วพร้อมเพียงกันแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงปับพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปลงปับพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันพร้อมเพียงกันโดยทมปฏิรูปลงปับพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น